เกิดก่อนหนุนตัวหลังมาโดยลำดับพอมาถึงจุดสุดท้ายก็เสมอภาคกันในการรู้อริยสัจสี่เลยไม่ต้องทำเป็นลูกศรมันเท่ากันนี่ข้างล่างนี่มันของเราคือยานนอกนี้ ยานนอกวิปัสนาญาณได้ชงได้ฌานอะไรก็อวิยาด้วยถือว่าไม่ได้ปริญญาปริญญาเป็นเรื่องของวิปัสนาภาวนาโดยเฉพาะปัญญาอื่นทาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นปริญญาและ ไม่ได้ปริญญาด้วยเพียงแค่การทำในเรื่องนั้นตอนนี้ <c oughs> เราก็พลิกไปดูอีกหน้าหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งโลกิยปริญญากับการรู้สัจจะสีแล้วก็โลกุตระปริญญากับการรู้ สัจจะสีจัจเจสีหมายถึงอริยสัจสีเราก็จะได้ความที่ชัดเจนขึ้นจากบางส่วนที่ได้เคยพูดที่เราเล็กเคลียน้อยมาในครั้งก่อนๆเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่างานวิปัสสนาเนี่ยคืองานกระทำเพื่อรู้อริยสัจสี และก้าวแรกนั้นสัจจะบางอย่างเป็นอารมณ์หลักเป็นของที่จะต้องรู้เป็นหลักอันอื่นยังไม่รู้หรือจะเป็นผลได้จากการรู้ตัวหลักตัวนี้ก็จะขยับไปถึงตัวอื่นเพราะบางอย่างเนี่ยมันขาวกระดำนะมันเข้าใจอันหนึ่งก็จะไปทะลุอึ่งนี้อันหนึง ไม่เข้าใจอันนั้นก็ไม่ทันรู้ถึงอีกอันหนึ่งอย่างคนไม่รู้ทุกเนี่ยจะเข้าใจเรื่องความดับทุกนะ่ะไม่มีทางด้วยวิธีอื่นเลยครับเข้าใจโดยเฉพาะในแม้ในขั้นวริยัติก็เถอะครับวันนี้พ่านดียังไงเนี่ยถ้าพูดถึงในขั้นวรยัติเนี่ยนะถ้าไม่พูดกันให้รู้ว่าสงสารเป็นทุกการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกอย่างที่โบราณเขาพูดพูดกันมาเนี่ยเราอ่านพระไตรปิฎกย้อนหลังดูแล้วเนี่ยก็เจอว่า มันต้องอธิบายอย่างนี้พระพุทธศาสนาพูดอย่างนี้ไม่พูดยักเยื้องเป็นอย่างอื่นภาษาลิบุตรใครตะใครก็พูดอย่างนี้เราเกือบจะยกคําพูดของทั้งของพระพุทธเจ้าของพระเถระสมัยพุทธกาลมาพูดได้เลยว่าการเกิดมาการได้ขันเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรอธิบายกันเป็นโวหารต่างๆกันมากอย่างด้วยซึ่งเรายัางไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดคัดมาพูดกันเลยนะแต่ยืนยันว่ามี ที่ี้การจะไปเห็นอริยสัตว์เนี่ยอริยสัตว์มีสี่เหมือนปริญญามีสามว่ปริญญาเราจะเกิดทูบสามก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องค่อยๆมาและปริญญาที่มันค่อยๆมาถึงไหนหนึ่งก็คือการมันรู้อริยสัตว์สี่ไอ้ส่วนไหนตัวไหน อ, อริยสัตว์ไหนมันใกล้ปริญญาไหนะวันวันนี้เรายังไม่ได้ทำแผนภูมิ เอาไว้ครั้งลังหลังจะทำอันไหนมันใกล้อันไหนมาก่อนมันรับกันเพราะความรู้กับสิ่งถูกรู้มันมีเรียกว่าเอื่อมมือกันถึงอันไหนใกล้ๆกว่ากันและอันไหนจะติดสอยให้ตามมาโดยลำดับเราจึงดูในส่วนของโลกียะปริญญาการุอเรียสัสีว่ายาตะปริญญาเตียนะาปริญญา ที่ว่ารู้ตัวรู้อาการของนามรูปเนี่ยนามรูปก็คือทุกคือทุกขสัต์นั่นเองถึงจะไปเรียกให้พิสดารเป็นอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดปฏิจจา1สิบสองหรือทิฏฐธรรมสุตธรรม มุตธรรมวิญญาตธรรมสี่อย่างหรือจะเรียกว่าโลกนี้โลกหน้าทั้งโลกนี้โลกน่ะหรือจะเรียกว่าอัตภาพมันก็คือทุกคําว่าทุกเนี่ยเป็นคําเรียกรวบยอดว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่เราควรจะต้องรู้ตามมันเป็นอย่างไงคือทุกขสัจจะที่เห็นได้โดยยานโลกีไอตัวทุกขสัจจะในตัวมันเองเนี่ยคือยานเห็นทุกขสัจมันมีทั้งโลกียะโลกุตละ แต่ฐานะนของสัจจ์เนี่ยมันเป็นเป็นแล้วเป็นเลยคือปัญญาเห็นสัจจะมันเป็นโลกีโลกุตระแต่เวลาไปกำหนดเห็นสัจจะเห็นสัจจ์สีเนี่ยนะ สัจจะสี่มันมีทั้งโล ก, กีะและโลโุตรละ น, นี่ผมเขียนญญเขียนแบบหยาบๆเหนือยนะมันมีอยู่สองส่วนปัญญากับอารมณ์อริยสัจสี่เป็นอารมณ์ปัญญาเป็นตัวรู้เป็นตัวบรรลุแต่พูดคำให้มันมันไม่มีข้อแม้เลยอารมณ์เนี่ยมันต้องหมายถึงหน่วงนึก พระใช้ภาษาอย่างไรพระจุใช้คําวัตถุที่ตั้งไอจะรู้แบบเป็นอารมณ์ไม่เป็นลงเรียกวัตถุทั้งนั้นอริยสัจสี่เป็นวัตถุเป็นญาณวัตถุแปลว่าที่ตั้งเหมือนบุญกิยาวัตถุที่ตั้งที่อาศัยให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวรู้เล่นกับอริยสัจสีคนทําวิปัสนาคือคนกําลังเล่นกับอริยสัจสี่กำลังรู้อริยสัจสี่ ตามขั้นของยานาระยะนั้นๆโดยย่อก็โลกียะโลกุตละนะเพราะนัะ้นยานนั้นก็มีโลกียะเลยก็พัฒนาไปเลื่อนไปจากโลกิยะไปเป็นโลกุตละแต่สัจจสี่เนี่ยมันเป็นอะไรแล้วเป็นตายตัวนะเช่นทุกขสัจเนี่ยวิปัสสนาญาณเห็นทุกขสัจ วิปัสนาญาณเป็นโลกียะปัญญาทุกขสัจเป็นโลกุตละสัจจะหรือโลกียสัจจะเป็นโลกียาสัจจะทุกโลกุตละมีไหมโลกุตะทุกไม่มีมีแต่โลกุตละโลกียะทุกนั่นแหละที่เป็นอารมณ์ของโลกุตละปัญญาแปลว่าไอตัวปัญญาโลกุตระมันเห็น ทั้งสิ่งโลกียะทั้งสิ่งโลกุตระนะแต่ไอ้โลกียะบัญญัเนี่ยแย่หน่อยครับมันเห็นได้แต่สัจจะที่เป็นโลกียะสัจจะที่เป็นโลกุตระมันเห็นตามตาไมได้หรอกมันเห็นได้แต่โดยในที่เกี่ยงพก็ยังไม่บรรลุเพราะฉะนั้นโล ก, กุตระบริญญาเห็นทุกันเป็นโลกียะได้ รู้ทุกข์มันเป็นโลกิยาได้แต่วิปัสนาโลกิยาเห็นนิโรดนิพพานเป็นโลกุตตะระจริงๆริงยังจงไม่ได้นะก็ได้โดยปริยายอย่างที่ได้พูดได้ฟังก็เลยยานมันมีทั้งโลกิยะ โ, โลกุตะระอ่าแล้วก็สัจจะก็มีโลกิยาโลกุตตะระมีสองอย่างยานพัฒนาได้สัจจะพัฒนาไม่ได้เราไปเห็นทุกข์เราไม่ได้ไปทาทุกข์มันเป็นโลกุตระขึ้นมา ไม่ได้ไปทําตันหาให้เป็นโลกุตระตันหาขึ้นมาใครได้ยินแม่โลกุตระตันหาไม่ไมีแต่เราทํายานของเราให้เป็นโลกุตระไปเห็นนิพพานนิพพานก็เป็นโลกรุตระ เ, เขาอยู่แล้วก็เป็นว่ามัคคยานเนี่ยเอานิพพานเป็นอารมณ์นิพพานนีก็เป็นโลกุตระยานก็เป็นโลกรุตระทั้งคู่อย่างนี้ เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเอไอไอ้มรคยานไปรู้อริยสัจสีได้อย่างไรถ้าเราพูดเทียบทั้งผืนนี่ก็จะได้ความชัดขึ้นควาจริงเรื่องปฏิเวทอย่างที่ว่าว่าเป็นชื่อมาเนี่ยก็เคยพูดกระเสงกระสายกันมาเรื่อยแต่ก็น่าพูดอยู่เรื่อยแล้วก็มีแง่มุมอยู่อีกมากยังไม่ได้พูดอีกก็ไม่ใช่น้อยเรามาดูโลกยะบุริน ญ, ญา ยาตาปริญญาเตียน้าปริญญารู้ทุกขสัจจะก็คือขณะกำหนดนามรูปและเหตุปัจจัยข้างนามรูกอาการข้างนามรูปนะทุกขสัจจะประิญญาสองตัวนี้สองตัวแรกนะฮะมีทุกเป็นอารมณ์ใช่ไหมใช่มีใครบ้างทำวิปัสนาแล้วไม่มีทุกเป็นอารมณ์มีแต่วิปัสนาญาลอยขึ้นมา นามรูปไม่ได้กําหนดไม่ได้นะครับอย่างที่เราเราชอบถามครูบาอาจารย์กันไม่ใช่น้อยว่าเอ๊ะทำทำไปแล้วเนี่ยจิตมันทิ้งอารมณ์สตินทิ้งอารมณ์ที่กําหนดอาจารย์เขาบอกว่าดีถูกทิ้งไปเหอะลืมไปเหอเดี๋ยวก็รู้แจ้งเองเขาบอกกันหรือเปล่ไม่บอกเขาจะบอกว่าให้ต้องกําหนดให้ได้ นะตองหมายว่าไออารมณ์ที่บอกให้กําหนดนั่นคืออารมณ์อะไรนามรูปในภาวะอะไรก็ตามเถอะมันต้องมีไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วรอให้ยานมันเกิดโดยไม่มีอาหารไม่ได้แล้วอารมณ์ก็ข้อสำคัญคือต้องจับอารมณ์ที่มันเป็นสภาวะทุกข์จริงๆไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นก็เป็นอารมณ์ที่ทําลายปัญญา อีกเหมือนกันไม่มีก็ไม่ได้มีผิดอารมณ์ก็ไม่ได้นะต้องมีถูกอารมณ์อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ถูกของวิปัสสนาเวลาเราจะบริหารตัวเองกับการภาวนาเนี่ยนึบอกว่าเรียนริญญาณแล้วมันทำให้เราได้ข้อสังเกตนะแล้วก็มีที่ปรึกษาวางใจควบคุมใจตอบตัวเองได้ไม่ใช่น้อยเลย คราวนี้ปานาปริญญาวหานาปริญญานั้นหน้าที่โดยตรงของมันคือตาทางค้าประหารอะไรตาทางค้าประหารสามุทัยอันนี้ยกเอาสามุทัยเป็นเจ้าเรือนแต่เวลาท่านพนานเนี่ยดีท่านพนานเี้ค่ะว่าละสมุทัยและกิเลสที่สมกัน ถ้าพูดสมูทยตัวเดียวหมายถึงตัวนั้นเป็นตัวกิเลสที่เป็นปฏิบักหลักต้องละให้ได้โดยสิ้นเชิงลืมอันอื่นได้แต่อันนี้น่ะลืมไม่ได้ต้องสะกดรอยตามไปทุกระยะทุกขั้นทุกชั้นของความละเอียดของมันแต่กิเลสที่ท่านใช้คาว่าถ้าถ้าพูดถ้าบางแหงพูดว่าละตัณหาและกิเลสที่อยู่ในฐานะเดียวกัน ก็หมายถึงกิเลสอื่นๆต้องละด้วยและจริงๆเราก็ไม่ได้ละแต่ตัณหาเนี่ยมันละแต่ตัณหาเป็นกิเลสหลักของความเป็นวัตมูลก็เลยบางทีพูดตัวเดียวแต่หมายถึงตัวอื่นก็ละตัวอื่นด้วยแต่นี้เราพูดตามในของอริยสัจสีก็ยกตัณหาตัวเดียวก็ให้การใจอย่างนี้เจนเกว่าเอโทสะอย่าเอาไว้ไม่ละ ทีนมิทะเอาไว้ไม่ใช่ตหาขอลตะตนะหดียวเดียวเหลือกิเลสอื่นไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่การละอย่างนี้เป็นแค่ตาทางขับอาหารนะที่เราเรียกว่าละชั่วคราวนั่นแหละครับคืออายุอนุภาพของการละโดยการละคือการเวลาแคบแค่การละด้วยวิธีอื่น คือเอาไว้ถ้าถึงปาหาณาปริญญาจะอธิบายเทียบว่าเอาอมาเทียบกับฌานเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยกว่ากันยังไงใครสูงใครต่ำกว่ากันยังไงรวมทั้งก้อสังเกตอื่นอันนี้ก็เป็นการแยกแยกภารกิจของอาการรู้ของปัญญาสามส่วนนี้กระทำต่อทุกขสมุ ท, ทัยทีนี้ ทั้งยาตาทั้งตีรณะทั้งปหานะรู้และเป็นคําว่าเป็นเนี่ยหมายความว่าตัวมันเองเป็นมรดุด้วยครับแต่เป็นมรด์ในขั้นที่เรียกว่าโลกียะมรด์สติของเราขณะทําวิปัสสนาเป็นองค์มรด์ไหมเป็นสัมมาสติแต่เป็นองค์โลกียมรด์ วิตกของเราเป็นองค์มรรคโลกเกียมรรคสัมมาสังคัปปะรวมทั้งที่เหลืออีกหกตัวเป็นองค์โลกเกียมรรคทั้งนั้นพะไอตอนที่เราทําเนี่ยเราทัมม้งว่าเรากําหนดรู้ทุกเห็นทุกลึกแสดงว่าองค์มรรคเราละเอียดลึกด้วยองค์มรรคเราละเอียดลึกแสดงว่าเราเห็นทุกเ ล, ล, ลือกลละเอียดด้วยไปด้วยกันลดหลั่นกันไม่ได้ จะไปได้วยการตามความสมควรแก่การเห็นเห็นอย่างไรไปอย่างนั้นไปที่นั่นอย่างนั้นเป็นบุพ ภ, ภาคมักแปลว่ามักเบื้องต้นมักเบื้องหน้าถามว่าหน้ามักอะไรหน้าโลกุตระมักนั่นเป็นอปรภาคมัก แล้วก็เป็นปัญจัคิกมามักนิวาโดยจำนวนองค์จำนวนองค์เต็มเพราะว่าในการทาวิปัสนาเนี่ยประหลาดอันหนึ่งว่าศีลเนี่ยครับในขั้นวิปัสนาเป็นบาทได้อย่างเดียวพอตอนทาเนี่ยศีลไม่ยอมทำด้วยศีลมันว่าพอลงมือจะทำแล้วไอ้ห้าตัว้ามากุกกิกุ๊กกี้กกทำกันแต่ศีลค่้ายๆไปดูแลอยู่รอบๆความปลอดภยอัยรอบนะ ไม่ให้ให้กิเลสเข้ามา ล, กล่กวนกิเลสอย่างที่สีจะพึงกุ้งกรองได้อ่าก็ยกตัวอย่างให้เห็น้ ช, ชนัดนี้เช่นเราไปเห็นนามรูปว่าเกิดดับเนี่ยขณะนั้นมีเจมีสติระลึกรูก้โผล่มาทํางานได้จริงความเพียรเผากิเลสมีจริงแล้วก็มีสำปชัญญะความความรู้เห็นตามสภาพนั้นจริงๆ ออกมาทํางานเป็นเนื้อเป็นตัวแต่สัมมาวาจาว่าอย่าพูดโกหกอย่าพูดโย ก, กับมันอย่าพูดโกหกกับลูกกับ น, น้ำหรือคิดว่าเออเห็นแล้วครูบาอาจารย์กระฐานจะไปพูดโกหกกับเขานะมีความคิดนี้ไหะไม่มีไม่มีมมอ่ะอ่ะทีนี้ไม่มีแล้วถ้าท่านจะนึกถึงประสบการณ์ท่านว่าเอแล้วทําไม หลายหลายคนแต่ก่อนนี้เคยประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตนะพอมาทําแล้วก็ไประลึกถึงอาชีพของตัวเองอะไรของตัวเองแล้วก็นึกว่าเราต่อไปนี้เราไม่ทําแล้วอย่างนี้นะน่าจะเกิดสัมมาอาชีวะในองค์แห่งความเป็นศีลเกิดขึ้นในการทําวิปัสนาหรือไม่ไม่ใช่ครับนี่เขาเรียกว่า มันเป็นผลของความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ตอนขณะจิตนี้ไม่ใช่วิปัสนาถามว่ามีอารมณ์เป็นมีนามรูปเป็นอารมณ์ไหมตอนนี้เห็นบางคนอาจจะฆ่าอาวุธสงครามไอทีผมรู้เขาก็ไม่ได้มาทำวิปัสนาแล้วไปนึกถึงปืนนึกถึงอะไรเนี่ยเป็นนามรูปอะหมายถึงเป็นปรมามารอารมณ์มันก็ไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นในขณะที่คนเกิดยานวิปัสนาขึ้นวิละติสามไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกแต่เป็นสิ่งมีอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องคุ้มครองที่เราสมาทานไว้แล้วแต่บอกเป็นศีลเพราะไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ใช่เพราะกำลังงดเว้นตรงนี้ถ้าแยกไม่ชัดก็ ถ้ายิงต่างสํานักกันโลเถียงกันตายเลยะเข้าใจไม่ได้เอไม่มีศีลแล้วมันจะเป็นไตรศีกายอย่างไหนนะอหเยี่ยนะไม่มีศีลแล้วก็เป็นคนทําวิปัสนาอย่างทุศีลน่ะสินี่ก็เป็นข้อสังเกต เ, เรื่องอย่างนี้นะเขาเถียงกันมาเขานักปา่าเข้าโต้แยง้งเขาสนทนากันมาแต่เป็นพันๆปีแล้วแต่ก็ทำความเข้าใจกันได้ แล้วก็การรู้เนี่ยนะฮะการรู้ปริญญาทั้งสามรู้นิโรธสัจจะเนี่ยโดยไหนอันนี้ผมคงต้องอธิบายเป็นการเทียบเคียงให้เห็นอริยสัจสีว่าเอาอย่างนี้ฮะว่าในขณะคนทำวิปัสสนาเกิดปริญญาอะไรๆขึ้นเนี่ย เขากําหนดรู้ทุกด้วยใช่หรือไม่ทุกเป็นอารมณ์เคลื่อยใช่ไหมฮะนารูปแล้วก็กําหนดรู้สติสมัญญะของเขาด้วยก็ได้ใช่ไหมถามเอาถานจริงๆว่าเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยอ่าถ้าท่านทําพองยุบท่านเห็นแต่พองยุบหรือสามารถจะรู้ว่าสติท่านเป็นยังไงความเพียรท่านเป็นยังไงด้วยรู้ไม่รู้รู้กิเลสของท่านเป็นยังไงโผล่ไหมเห็นไหมโผล่ ก็ตกลงทั้งทุกข์ทั้งมักทั้งกิเลสโผล่มาให้เห็นในขณะปฏิบัติอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าองค์อริยสัจสามข้อนั้นมาเป็นอารมณ์แก่ปริญญาสามโดยอารมณ์ โดยความเป็นอารมณ์นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นอันหนึง่งอย่างคนที่กำลังมีปรหารหนาปริญญาลองนึกด้วยดีว่ปหาปารนาปริญญาสมมติว่าเห็นความดับของรูปนามตอนเห็นความดับเนี่ยเขาเกิดการละกิเลสใช่ไหมละ่ะเพราะเป็นปรหารหนาปริญญา ตอนที่กำหนดความดับเนี่ยมันล่ากิเลสตอนเห็นความดับแล้วก็ไม่ได้กำลังนึกถึงกิเลสอยู่ในขณะเห็นความดับใช่หรือไม่นี่ขณะตั้งปัญหายังทำท่าไม่เข้าใจนี่ผมไม่เช่อถ้าเทียบเหมือนกับคนอ่านหนังสือคนอ่านหนังสืออ่านข้อความตาใจจับอยู่กับข้อความในหนังสือได้ความรู้ขึ้นมา ถามว่าขณะนั้นขณะได้ความรู้เนี่ยความไม่รู้มันหายไปทันทีขณะนั้นใช่ไหมละ่ะโดยไม่ต้องกลับไปดูไอ้ความรู้หายไปอย่างความรู้หายไปไหนใช่ไหมฮะทกกรณีนี้เป็นปหานะบริญญาที่จับความดับโดยไม่ได้นึกถึงกิเลสแต่ละกิเลสที่ ตึงละได้จากการเห็นความดับน ะ, นะอนนันหนึ่งและปะหาหานาปริญญาอาจไปดูกิเลสว่าแม้กิเลสเองก็ดับกิเลสดับนหะมกิเลสก็เป็นนามรูปอันหนึง่งเพราะนั้นไอาการเห็นความดับเห็นกิเลสเอากิเลสเป็นอารมณ์บางครั้งด้วยมันไ ป, ไปมาอย่างนี้เหมือนเอาให้นึกถึงประสบการณ์อย่างที่เราทำเนี่ย พ่เราเห็นรูปเห็นนามไม่มีอาจารย์ที่ไหนเขามาบังคับเราครับแล้วบับงคับก็ไม่ได้ด้วยวะยาเนะี่ยอย่าไปดูกิเลสนะยาเนะี่ยอย่าไปรู้ว่าตัวเองรู้นะให้กําหนดนามรูปทื่อไปงั้นแหละคุมอารมณ์อื่นไม่ให้รู้ตัวสติไม่ให้รู้ว่ากิเลสเรามันเข้ามายังไงเขาว่าได้สอนอย่างนั้นแหล ะ, ะมันต้องโผล่มาต้องรู้ เพียงแต่ว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นตัวนำแล้วก็นำจิตหันไปถึองอันไหนแต่ว่าจะหันไปทางไหนมันก็เอาความดับไปใส่ให้กับสิ่งที่มันเห็นอันนี้แหละครับในขั้นของโลกิยวิปัสสนาเนี่ยมันถึงจับทุกเป็นอารมณ์จับองค์มรคคือตัวเองที่เป็นผู้รู้ทุกเป็นอารมณ์โดยรู้ว่าตัวเองรู้รู้แบบหน่วงออมาเป็นอารมณ์เนี่ย แล้วก็นึกถึงกิเลสรู้กิเลสด้วยวะเราละกิเลสได้และถ้ารู้ในขั้นปัญญาณมันก็เอาความดับไปใส่ให้กระทุกนะ่ะมันให้ให้อยู่แล้วพอมาดูปัญญาเป็นก็เอาความดับไปใส่ให้ปัญญาก็ดับจริงไม่จริงกิเลสที่ละได้มันก็หันไปดูแล้วก็เอาความดับไปใส่ให้กิเลสลกิเลสก็ดับเห็นความดับของกิเลสไอทีตัวละแต่ตรงนี้นะ่ะผมติดไว้เมื่อพูดปหาหนานาบริญญาแล้วจะอธิบายให้ชัดอีกทีนะฮะ มันก็น่าเข้าใจแต่ว่ามันบางทีฟังๆดูก็เหมือนยากเพราะฉะนั้นในขั้นโลกียปริญญาเนี่ยตัวปริญญามันทำให้เป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดแล้วไม่ผิดต่างแต่ว่ายกขึ้นมาเป็นหลักด้วยนามลูกคือวิธีปฏิบัติอันนั้น่เป็นหลักและจิตมันจะจำเรืองไปดูมันเอง เทวนมันกล้าแล้วมันมันสอมาให้เราเห็นเองครัเราก็จะรู้อ่อหน้าตาของสมุทยัยเราเป็นไงหน้าตางทุกเป็นไงเราถือเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะทั้งหลักใหญ่และหลักที่สืบลึกเข้าไปแล้วก็ไอตัวรูเราเป็นยังไงเราถึงสามารถจะปรับปรุงอาจารย์ก็ถามมาเป็นยังไงกําหนดเลยเห็นชัดไหมเวลาไหนชัดเวลาไหนไม่ชัดก็บอกบางคนก็บอกว่าออนาำรูมก็ชัด แต่ไม่ค่อยจะตื่นเต้นใส่ใจกับมันเท่าไหร่ซแล้วมันเห็นจนเซ็งแล้วมีเซ็งอ่ะนะพูดเป็นภาษาคือเบื่อแล้วหมาพูดกันจังอันนี้เห็นจนเบื่อซะแล้วไอ้กิเลสเรามันก็ดีถ้าเจอเข้าที่ซะแล้วง่วงเงื่องอะไรเออไม่มีแล้วนะมาจับกิเลสใหม่ได้แล้วเนี่ยทํานึงระยะเองง่งไม่มีแล้วเมื่อยไม่มีแล้วทุกอนุนอนีมไม่มีแล้วคิดถึงอะไรไม่มีแล้วมันต้องเห็นหมดนะ พอไปถึงขั้นมัคนั่นนะมันถึงสลัดไอ้การที่จะไปเอามาเป็นอารมณ์หมดทุกตัวได้ในในชั้นหลังนี่ผมพยายามจะบอกว่าอริยร 3, สัจสามสงวนนีโลดไว้ก่อนมันต้องสอมาเป็นอารมณ์ให้เราเห็นแต่การมาเป็นอารมณ์ให้เห็นต้องอยู่ที่การกำหนดอารมณ์หลักตามแบบวิธีนั้ น, น, น ให้เราได้แทงทะลุแล้วมันจะทำเลองไปเองไม่ใช่ไปสอดสายและตาดูนะเช่นว่าทำทองพองยุกสักสิบทีไอ้กิเลสเราหายไปบ้างหรือยังอย่างนี้ไม่ได้หรือไอ้ปัญญาเราเป็นยังไงแล้วน่าจะเป็นยังเป็นไม่ได้เหมือนกันต้องให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเบอกว่าเราแทงทะลุในอารมณ์หลักเท่าไหร่อย่างอื่นมันจะถูกฟ้องออกมาเองทั้งส่วนอดีตที่ผ่านมา ทั้งส่วนปัจจุบันยัาพอหน้าฟ้องออกมาเองเลยแล้วเราก็จะท้วนกับอารมณ์พวกนี้และในชี่อก็จะไปเลือกจะทิ้งจบแล้วก็ถือทิ้งก็ไปจับอารมณ์อันนี้ผ่านในขั้นบรรลุนี่ผมพยายามเต็มที่แล้วนะที่จะพูดให้ให้เกิดปฏิเวศขั้นปริยัตพึ่งมันไม่มีนะทีนี้ในระหว่าง คนทำวิปัสนาอยู่เปลี่ยนอารมณ์เป็นหลากหลายต่างๆในระหว่างทุกสมุทัยมรรคเนี่ยนะฮะเราจรึงสรุปว่าทุกสมุทัยมรรคเนี่ยมีฐานะพิเศษว่าผูกรู้ด้วยในข้อความในคำพีเขงบอกว่าแม้สติก็เป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของสติแม้ ปัญญาก็เป็นที่ตั้งของปัญญานี่ถึงจะเป็นบริญญาจริงครับต้องรู้ทั้งหนังสือที่เราอ่านและรู้ทั้งเราผู้อ่านหนังสือและรู้ทั้งคนเขียนหนังสือถึงพยายามบอกอยู่บ่อยๆเวลาฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังเรื่องด้วยฟังคนพูดด้วยแล้วก็อ่านตัวเองด้วยฟังตัวเองด้วยว่าตัวเองว่ายังไงคิดยังไงควรจะไปทางไหนทั้งสามสาย ถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่เป็นอาการเหมือนคนทําวิปัสนาเวลาคนเห็นนามรูปเห็นทุกเห็นส ม, มูไทยเห็นมักจงอยู่ในกระบวนการเดียวกันนิพพานยังไม่ปรากฏในขั้นวิปัสนาแต่ใจเนี่ยท่านพูดโดยโวหารเยี่ยง ว, ว่าโน้มไป เอียงไปเทไปลาดไปกลับนะด้านหนึ่งบอโหดกลับจากสิ่งที่ไม่ใช่นิโรธจากสิ่งที่เป็นทุกข์จากสิ่งเป็นสมุทัยหดกลับเรียกวหดข้างยืดกันยุคที่คลองทีจะเป็นคนนิยมนิพานนิยมนิพาน เข้าใจนิพพานว่ามันเป็นอะไรจากการเข้าใจทุกเนี่ยเพราะนิพพานกลมกึนงก้ามกับทุกนะฮะเห็นทางไปของนิพพานจากมัจที่ตัวเองทําเป็นได้ในการนวิปัสนาเห็นเครื่องขัดขวางนิพพานคือตัณหาละตัณหาไม่ขัดขวางนิพพานตัณหาสร้างสงสารสร้างทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีใครมาบอกมาพูดมันออกมาเอง ทัดเองทราบซึ่งเองไม่ต้องมีใครมาขอร้องนี่บันทือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าเป็นอัปป ร, ป, รปัจจัยเป็นความรู้ที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นเป็นปัจจัยว่ายิ่งอ่านนะเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องบรรดาลใจให้เราอยากจะรู้นะฮะอยากจะลองว่าจริงจริงมันเป็นยังไงนั้นถ้าฟังเรื่องคนนี้คนฟังเนี่ยได้ทําสิ่งเหล่านี้ไว้บ้างนะ สนุกสนุกมากและอัศจรรย์มากด้วยแล้วก็เราก็จะเห็นความเป็นไปได้มากด้วยมันไม่ใช่เรื่องลมๆแรงๆอย่างที่คนทั่วๆไปเขาคิดเขาฟังกันไม่สนุกด้วยลมๆแรงๆด้วยขัดอกที่ว่าขัดเนี่ยผมไม่ได้แปลผมไปเที่ยวดาเกียวกระเที่ยวกราดแล้วก็กำลังพูดถึงสิ่งที่เขาว่าดีว่าไม่ดีนะมันขัดใจตรงนี้ สัจจะสามจึงมีฐานะเป็นอารมณวิปัสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสนานิโรธเป็นนยยมันสอมันเป็นลางเข้ามาในความรู้สึกอานนี้มาดูโลกุตละปริญญาในการรู้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยบังเอิญผมได้พูดไ ว, ไว้คราวที่แล้วนะฮะจะมีเรื่องราวที่ต้องพูดกันอีก ในในประเด็นในข้าวต่ อ, ต อ, ตอไปนะซึ่งไม่ใช่ล่าวหน้าอย่างในเรื่องโลกุตละประิญญาในสัจยาสี่เนี่ยผมจึงคิดว่าอยากจะพู ด, ดให้จบไปแล้วคราวหน้าขึ้นรายละเอียดแต่ว่าจะการพูดจบสำหรับถึงตรงนี้นะไม่อธิบายเป็นรายละเอียดก็พอได้เพราะว่ามันมันคล้ายกับที่ผมพูดคราวที่แล้วแล้วก็มันกลงกันข้ามึ้ขนขณะที่พูดอโลกิยะเนี่ยมันก็สอดคล้องกันมานะ จะเป็นว่าผงจะพูดไปถ้าเทปหมดก็ค่อยซ่อมใหม่ไว้พูดซ่อมใหม่ก็แล้วกันน ะ, ะอ่าทําพูดแล้วมันอยู่ในนั้นก็ขอให้พูดไปเลยแล้วจะพูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงจุดละเอียดก็แล้วกันขออนุญาตต่ออีกนิดโล ก, กยบปริญญาเนี่ยพอไปถึงขั้นโลกุตระท่านโทษโลกุตระปริญญาถึงขั้นมรกยายแล้วก็พร้อมกันหมดในการรู้อริยสัจสี่นั้นปริญญาใน โลกุตละเนี่ยรู้แจ้งทุกสมุทัยกับมรคคือตัวเองนะซึ่งเป็นมรคแปดเป็นโลกุตละและเป็นอัตถังกิกรรมคเป็นอริยมรคเนี่ยรู้อย่างไม่หลงไม่สามารถจะมารู้อย่างหันหันไปหันมาเหมือนอย่างในขั้นวิปัสนาได้แต่นิพพานหรือนิโรธสัจจานะั้นเป็นอารมณ์ หน่วงเป็นอารมณ์เพราะถือว่าเป็นคนที่อ่านรูปนามมาจนหมดไม่หลงแล้วแต่นิพพานเนี่ยตัวเองโน้มใจมาแต่ยังไม่เห็นแปลว่ายังมีความไม่รู้ที่ยังจะต้องเติมให้เต็มก็จึงมันหน่วงเอามาเป็นอารมณ์ได้เห็นก็เป็นนั้นว่าพอมาถึงจุดมรรคเนี่ยนามลูกทุกสมูทยัยมรรคเห็นมาครบวางมือได้นิพพานที่มันสอเข้ามาจนเห็นแสงแต่นิพพานได้ ก็เป็นนานบริบูรณ์ไม่มีอะไรเหลือแล้วใช่ไหมทั้งอสมมาสามโมหะไม่หลงแล้วก็อารมณะปฏิเวทคือหน่วงเอามาเป็นอารมณ์ได้ด้วยด้แกนิโรธก็เป็นนั้นว่าผมจบตรงนี้นะฮะสำหรับแ ผ, ง, ผงสุดท้ายเนี่ยได้อธิบายไว้ข้าวก่อนผมเขียนเติมมาให้เพื่อเป็นหลักฐานกับมือและพรานาเราจะเริ่มยาตะปริญญาโดยพิสดาร ก็จะฟังเบาๆในการใส่เนื้อหานะเบาๆหมายวเบาในแง่การใส่เนื้อหายังไม่แออัดยาเทเยดเหมือนที่แล้วมาก็กระนาติดตามกันต่อไปที่นี้ที่ผมพูดเนี่ยบางเรื่องหลายอย่างก็รูบรัดถ้าท่านบุไดสงสัยนะฮะต้องการขยายรายละเอียดก็ขอฝากให้ถามอาจารย์นิสาได้เมื่อผมจบแล้ว ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุเทพแทนพวกเราทุกคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในชีตหมายเลขสามที่อาจารย์แจกและใช้ประกอบการบรรยายในวันนี้เนี่ย เ, เนื่องจากมันตกในลำดับยานนะคะ16ยานเนี่ยมันตกยานที่เก้าเป็นมุลจิตตกกรรมเสด กรรมยตายญาณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าแรกเนี่ยนะคะในหน้าแรกเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยปริญญาภูมิสองเนี่ยบรรทัดที่สามเนี่ยนะคะโดยญาณได้แก่ปัญญาในวิปัสสนาญาณที่หนึ่งคือนามะรูปา ป, ปริเฉทยานถึงญาณที่สิบสองนะคะคืออนุโลมายานอนุโลมายานต้องเป็นญาณและในข้อสองนะคะปริญญาโลกุตรภูมิ นะคะบรรทัดที่สองโดยยานได้แก่ปัญญาในวิปัสนาญาณสิบสามคือมัคคิยานอันนี้ต้องเป็นสิบสี่นะคะต้องเป็นสิบแล้วในหน้าสองนะคะหน้าสองก็ยานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ถูกแล้วนะคะยานที่เก้าต้องเป็นมุนจิตตกุกรรมยตาญาณ น, นะคะ ส่วนปฏิสังขารุบเบกขาญาณ น, นั่นเป็นญาณที่สิบแล้วสังขารุปฏิสังขายาณเป็นญาณที่สิบสังขารุบเบกขาญาณเป็นญาณที่สิบเอ็ดอนุโลมายาณเป็นญาณที่สิบสองนะคะและในหัวข้อใหญ่ที่สี่นะคะปริญญาโดยโลกุตระภูมิหน้าสองเนี่ย ข้อหนึ่งโดยลำดับแห่งความเป็นอธิการปรหาณนาปริญญาคือวิปัสนาญาณที่ห้าพังขยานถึงญาณที่สิบสองนะคะไม่ใช่สิบเอ็ดเป็นอนุโลมญาณเป็นโลกียะปริญญาส่วนปหาณนาปริญญาคือวิปัสนาญาณที่สิบสี่นะคะพยานเป็นโลกุตรปริญญาพรามาขยานนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้ว นะคะเอกสารนี้อาจารย์ก็จะได้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะหน้าสามก็เหมือนกัน <c oughs> หัวข้อที่สามเล็กนะคะภายใต้หัวข้อใหญ่ที่ห้าอธิการแห่งปริญญาสามวิปัสสนาญาณที่ห้าคือผังขยานเนี่ยนะคะถึงสิบสี่ แล้วก็อันที่หกนะคะอาจารย์ก็แก้แล้วนะคะยานที่หนึ่งถึงสองแล้วก็ยานที่สามถึงสี่แล้วก็ยานที่ห้าถึงยานที่สิบสองเป็นอนุโลมญาณนะคะยานที่ห้าถึงยานที่เอ่อเพราะฉะนั้นกลับไปที่ข้อสามในหัวข้อใหญ่ห้านะคะเอ่อจะต้องเป็นยานที่สิบสองจะไปถึงยานที่สิบสี่ไม่ได้เพราะว่าวิปัสสนาญาณนี่ มันตั้งแต่อุทธยาพยายามซึ่งอาจารย์นับตั้งแต่ยานที่ห้านะคะคือพังขยานถึงยานที่สิบสองอุโรมยานมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แต่นับจริงๆต้องนับจากยานที่สี่นะคะที่สี่ที่ห้าคืออุทยาพยายามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบ ที่สิบเอ็ดที่สิบสองยานสิบสองเป็นยานอนุโลมยานเก้ายานนี้เรียกว่าวิปัสนาญาณส่วนยานต่อไปยานที่สิบสามเป็นโคตรภูยานยานที่สิบสี่เป็นมัคคยาณ น, นะคะตั้งแต่อุทยพย า, ยานไปจนกระทั่งถึงอนุโลมยานเก้าชั้นเก้าระดับเก้ายานนี้รวมเรียกว่าวิปัสนาญาณ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราไปทำวิปัสนาเนี่ยก็คือเราเราทำยานพวกนี้ให้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็สลับซับซ้อนอาจารย์บอกว่าข่าวน่าจะขึ้นยาตรริญาอย่างพิสดาร น, นะคะใครฟังแล้วไม่สะดุ้งก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะเพราะพี่เองฟังเรียกสะดุ้งเลยนะคะพราที่ผ่านมานี้ก็พิพลึกเกือกือพอสมควรนะคะ อตอนต้นอาจารย์พูดไว้คำหนึ่งนะคะซึ่งซึ่ง<ม>สกิดใจพี่ก็คือว่า เ, เวลาที่พระอราหันต์ได้บรรลุธรรมเนี่ย เ, เวลาไปพิจารณาสิ่งที่ในทางโลกเห็นเป็นของน่าเกลียดโสโครกน่ากลัวอย่างซากศพเนี่ยหรือไปพิจารณาความตายเนี่ยนะคะ ผู้ทุชงคนกิเลนาเป็นญายน้อยจะรู้สึกกลัวใช่ไหมคะจะกลัวชากศพก็จะน่าเกลียดนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นอารมณ์ของมรรคของผลได้นะะแล้วก็เราจะเห็นว่าผู้ที่บรรลุธรรมจริงๆเนี่ยหรือแม้ขนาดเราขนาดติโลจิสารเนี่ย เ, เรามาฟังธรรมเนี่ยซึ่งในทางโลกเห็นเป็นของที่น่าเบื่อเนี่ย เราสามารถที่จะร่าเริงในธรรมได้แล้วสมมติอะไรกับคนที่ขึ้นไปถึงขั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างพระอรหันต์เนี่ยเป็นพุทธะที่แท้จริงที่สมบูรณ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นคนที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยจึงเป็นคนที่เบิกบานเป็นสุขแต่เบิกบานไม่ใช่เบิกบานทางโลกโลกซึ่งเบิกบานแบบนั้นไปเดี๋ยวก็เขียว นะคะนี่อยู่ในสุขของอของธรรมะมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมนะคะแล้ววันนี้เราพูดถึงโลกีกับโลกยะกับโลกุตระเราจะเห็นได้ว่าวิปัชนายามเนี่ยเก้าระดับที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะยังอยู่ในขั้นโลกียะ หมายความว่ามันยังไหลขึ้นหลายลงได้แต่พอถึงขั้นที่สิบสองแล้วอนุโลมยานแล้วไปเลยนะคะไปเลยโคตรภูยานข้ามโคดเลยจากโคดปุถุชนเป็นโคดอรยิยะจากโลกียะไปเป็นโลกุตระนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้จําหลักไว้เสมอเลยอะไรที่เป็นโลกียะเนี่ยยังยังเอ่อถอยไปถอยมานะคะยังขึ้นขึ้นลงล ง, ลงได้ อาจารย์พูดถึงอันหนึ่งที่สำคัญมากที่เราฟังแล้วเนี่ยเราไปปฏิบัติได้แล้วสำหรับคนที่เข้าปฏิบัติกับพี่เมื่อหนึ่งถึงแปดสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะค ะ, ะจะจำได้เลยว่าอาจารย์สุเทพก็พูดตรงกับท่านอาจารย์พระปะจาร์ที่ท่านได้กรุณามาสอบพารมณ์พวกเรานะคะระหว่างหนึ่งถึงแปดสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยคือทาภาวนาที่ต้องจับตัวให้ถูบ นะคะอาจารย์ใช้คําว่าจะไม่หลงเงานะคะโลภะในห้องปฏิบัติเนี่ยถ้าเผื่อเราโลภเนี่ยเราตั้งความอยากไว้เนี่ยนะคะธรรมะจะวิ่งหนีต้องวางใจให้ถูกจะได้ยืนหยัด อ, อยู่บนปริยัติและปฏิบัติได้ยาวนานเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเราเข้าไปในห้องปฏิบัติเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรเนี่ยนะคะเหองก็เดินกันเราก็เดิน หรือคนที่ไปเอาหนังสือธรรมะมานะคะแวะปฏิบัติเนี่ยว่าเอาเดินจงกรมเป็นอย่างงี้นะน ะ, ะยกน้อยย่างน้อยเหยียบหน้อหรืออะไรแล้วก็มาทําเนี่ยนะคะแต่ไม่มีครูบาอาจารย์เอ่อการทำํำการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่อยู่ที่อาการข้างนอกมันอยู่ที่ที่จิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวางใจไม่ถูกนะคะเริ่มต้นก็อยากเนี่ยนะคะอยากได้นูน่นอยากได้นี่ในที่สุดเราจะได้อะไร เราก็จะได้แต่ความอยากแต่ไม่ได้ธรรมะและอาจารย์ก็พูดเหมือนกันเลยต้องจับตัวให้ถูกจับที่อารมณ์นะคะจับที่อารมณ์นะคะแล้วก็อาจารย์ใช้ความอาจารย์สิทธิใช้คำว่าไม่สันโดษเนี่ยไม่สันโดษนะแล้วบอกว่าต้องต้องควบคุมความรู้สึกให้ถูกแล้วต้องตั้งใจเอาเอาใจไปเริ่มต้นที่เลขศูนย์ที่ starting point ไม่ใช่เข้ามาในห้องปฏิบัติแล้วก็ ไปอ่าข่าวที่แล้วเราเราทํามาได้แค่นี้เพราะข่าวข่าวเพราะฉะนั้นข่าวที่แล้วพอเราเลิกทําเราใส่คอมม่าเอาไว้คราวนี้เรามาเขียนต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนี่ยอย่างท่านพระอาจารย์ประจับบจกษ์ท่านพูดว่าไม่เหมือนกับทางโลกทางโลกเราเรียนหนังสือไปถึงป .2 ป .3 เอาเราเกิดไม่สบายนะคะแล้วพักไปปีสองปีหายเจ็บแล้วกลับมาทําต่อ กับมาเรียนนึงสือต่อล้วก็ตอบอสี่แต่ธรรมะนี่ทุกครั้งเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่แม้แต่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วนวงอภเพนที่ผ่านมาเป็นอารมณ์ครั้งหนึ่งแล้วพอจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นพระสกิทาคามีก็ต้องไปกำหนดนามลูกใหม่นะฮะอันนี้เป็นของที่ที่ผู้ปฏิบัติแล้วหวังความก้าวหน้าในการปฏิบัติต้องต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วอาจารย์ก็พูดเลยนะฮะบอก ถ้าเพื่อเรารู้ปริยัตมั่งเนี่ยนะคะ เ, เราจะเราจะสามารถที่ที่จะเช็คตัวเองได้นะคะสำหรับพี่เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าถ้าเผื่อผู้ศรสนาไม่มีพระใจปิดกไม่มีปริยัติคือพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมนะคะมีแต่พูดๆกันแล้วมีแต่ปฏิบัติเนี่ย พี่พิมพ์พี่คงไม่ยืนอยู่ตรงนี้ขนาดนี้นะฮะแล้วคงไม่เข้าไปในห้องปฏิบัติด้วยด้วยความมั่นใจว่าเรามีอต ำ, ตำรับตําราเป็นเครื่องยืนยันแล้วเราเข้าไปในห้องปฏิบัติเราไปพิสูจน์ตํำรับตําราอันนั้นนะฮะเรื่องอ่าปัญจังคิกรมักเนี่ย ไปพูดนอกห้องนี่นะคะคนเขาหาว่า เ, เรารู้ดีกว่าพระพุทธเจ้านะคะมักเนี่ยมีองค์แปดสององค์เป็นปัญญาสามปัญญาสิกขาสามองค์เป็นศีลสิกขาอีกสามเป็นสมาธิสิกขาหรืออธิเจดสิกขาอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราเข้าไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะคะ เหลือแค่ห้าเท่านั้นศีลเนี่ยอาจารย์บอกจำได้ั้ยบอกอยู่รอบๆอยู่รอบๆแต่ตัวที่ทำงานจริงๆเนี่ยคือปัญญาสิกขากับสมาธิาสิกขาตัวนี้ทำงานนะคะอันนี้จริงเพราะเราเข้าไปในห้องปฏิบัติแล้วเนี่ย เ, เป็นที่รู้กันว่า เราต้องก้าวล่วงเอสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเบื่อเรายังมีโปรเจกต์ค่าเป็ดค่าไก่อยู่ที่จะต้องดำเนินอยู่เนี้ยมันมันมันไปไม่ถึงจุดนั้นไปไม่ถึงจุดนั้ น, นประเด็นสุดท้ายที่พี่จะเน้นนะคะโดยเฉพาะยิางยิ่งสำหรับคนที่จะไปฟังเทปเหล่านี้เป็นครั้งที่สามสีห้าหกนะคะ ตอนท้ายๆเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องทุกคืออาจารย์พูดอริยสัจสี่ใช่ไหมคะและอาจารย์จะพูดถึงเรื่องอทุกสมุดไทยแล้วก็มักจะทํางานกันใช่ไหมคะนิโรดวางไว้ก่อนเยให้จําไว้ว่าทุกครั้งที่อาจารย์พูดคําว่าทุก์เนี่ยอย่างงทุกอันนี้คืออะไรคะทุกขเวทนาใช่ไหมไม่ใช่ ทุกขังอนิจจังอนัตตาใช่ไหมไม่ใช่อะไรคะทุกขะอริยสัจจซึ่งองค์ธรรมคืออะไรคะคือรูปกับนามคือรูปกับนามซึ่งเป็นวิปัสนาภูมิเป็นสมรภูมิของคนที่จะทำภาวนานะฮะคนที่จะทำภาวนาเนี่ยถ้าเผื่อไปที่ภูมิอื่น ไปที่สนามกอล์ฟมั่งไปที่ไหนบ้างอะไรแต่หลายพวกนี้นะคะช้อปปิ้งมั่งไปไปนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้มั่งไม่ใช่นะไม่ใช่วิปัสนาภูมิจําได้มแอาจารย์พูดบอกว่าเวลาทํำทามเนี่ยละกิเลสไหมะละแต่ประหารกิเลสไหมเป็นเป็นปริญญาเป็นปัญญาไหมไม่ใช่นะเนี่ยฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเรากําลังอยู่ที่ไหน นะะเวลาที่แผ่เมตตาละกิเลสมะละละกิเลตัวไหนข้อโทศแต่ไม่ใช่ปริญญาปัญญานะะอันเนี้ยเราเราเข้าในขั้นละเอียดตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นในพวกเทคโนโลยีเทอมสเหล่านี้เนียเราต้องเข้าใจเพราะครูบาอาจารย์เวลาที่ท่านใช้คำเหล่านี้ท่านใช้ถูกต้องตามที่นักปราช บันจิตตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทานมาให้ใช้กันเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกบอกว่าในขั้นออืในขั้นวิปัสนาญาณเนี่ยวิปัสนาญาณอาจารย์จะพูดนะกลับไปฟังเทปนี้ให้ดีๆในขั้นวิปัสนาญาณเก้าขั้นเนี่ยอานะจารย์ไม่ได้ใช้คําว่าเก้าขั้นแต่พี่แตกออกมาให้เห็น นิพพานยังไม่ปรากฏหมายความว่าอะไรคะยังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่จะมีอะไรเป็นอารมณ์มีไตรลักษณ์แล้วถามว่าไตรลักษณ์ของอะไรตอบว่าไตรลักษณ์ของรูปนามเพราะฉะนั้นยานแรกจึงต้องเป็นนามรูปปาปริเฉทยาแยกรูปแยกนามได้รูปได้นามซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจเข้าใจไหมคะนะก็กลับไปฟังใหม่ไปทบทวนใหม่ดีๆนะคะ ก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปวันนี้สำหรับรายการของอาจารย์สุเทพนะคะก็มีมีสองพระปะกท่านอาจารย์ก็กลับไปแล้วต้องตามอาไปให้ะนะคะสำหรับเทศมหาชาติที่วัดหงระหว่างวันที่ 9-10 กันยาแล้วอีกสองหนึ่งก็ พอดพ ป, ป่าที่วัดจากแดงวันที่สามกันยานะคะก็สุดท้ายของรายการก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันกล่าวคาถากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาะคะบุญยญศิธานิกะตัสะยานัญญานิกะตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุ สัตตานันตาประมาณนาาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในปัตตน้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วเยปยาคุณาวันตาจะคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณไมหังมาตาปิตาทยมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น สิถาเมจาระยติทาวะที่ข้าบเจ้าได้เห็นหรือแม้นไม่ได้เห็นอัญเยมัชั ต, ตะเวริโนสัตตาทิทันถิโล ก, กัสมิงและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเตภูมิมาจทตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปันเจกาจทตุวการา มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่สังสารตาพระวาพระเวท่องเที่ยวในพบน้อยแลพบใหญ่ยาตังเยปฏิทานนัมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าอานุทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจีมังนับประชานันติ ก็จั์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเทสร้างนิเวชยุงขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นไมยาทินนานะปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วจับเพสัตตาชะตาโหนตุอเวราสุขชีวินโอ ขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแค่มัปปะทันจับปะโปนตกและจงถึงทางอันกเกษมเถิดเตซาซาศิชะตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถอดสำหรับท่านที่มาใหม่นะคะอผอนตัวหลังมาโดยลำดับพอมาถึงจุดสุดท้ายก็เสมอภาคกัน ในการรู้อริยสัจสี่เลยไม่ต้องทำไปลูกสอนมันเท่ากันนี่ข้างล่างเนี่ยมันของเราคือยานนอกนี้ยานนอกวิปัสนาญาณได้ชงได้ฌานอะไรก็อวิยาด้วยถือว่าไม่ ได้ปริญญาปริญญาเป็นเรื่องของวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะปัญญาอื่นทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นปริญญาและไม่ได้ปริญญาด้วยเพียงแค่การทำในเรื่องนั้นแค่นั้นตอนนี้ <c oughs> เราก็พลิกไปดู อีกหน้าหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งโลคิยะปริญญากับการรู้สัจจะสี่แล้วก็โลกุตระปริญญากับการรู้สัจจะสี่จัตจะสี่หมายถึงอริยสัจสี่เราก็จะได้ความที่ชัดเจนขึ้นจากบางส่วนที่ได้เคยพูด ที่ละเอียดคลียน้อยมาในครั้งก่อนๆเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่างานวิปัสสนาเนี่ยคืองานกระทำเพื่อรู้อริยสัจสี่และก้าวแรกนั้นสัจจะบางอย่างเป็นอารมณ์หลักเป็นของที่จะต้องรู้เป็นหลัก อันอื่นยังไม่รู้หรือจะเป็นผลไดจากการรู้ตัวหลักตัวนี้ก็จะขยับไปถึงตัวอื่นเพราะไอ้บางอย่างเนี่ยมันขาวกับดานะฮะมันเข้าใจอันหนึ่งก็จะไปทะลุอึงนี่อันมังไม่เข้าใจอันนั้นก็ไม่ทะลุถึงนี่อันหนึ่งอย่างคนไม่รู้ทุกเนี่ยจะเข้าใจเรื่องความดับทุกนะ่ะไม่มีทางด้วยวิธีอื่นเลยค เข้าใจโดยเฉพาะในแม้ในขั้นวรยัติเถอะครับวันนี้พานดียังไงเนี่ยพูดถึงในขั้นวรยัดเนนะถ้าไม่พูดกันให้รู้ว่าสงสารเป็นทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างที่โบราณเขาพูดพูดกันมาเนี่ยเราอ่านพระไตรปิฎกย้อนหลังดูแล้วเนี่ยก็เจอว่ามันต้องอธิบายอย่างนี้พระพุทธศาสนาพูดอย่างนี้ไม่พูดยักเยื่องเป็นอย่างอื่นภาษารีบุตรใครตะใครก็พูดอย่างนี้ เราเกือบจะยกคําพูดของทั้งของพระพุทธเจ้าของพระเทเรซาสมัยพุทธกาลมาพูดได้เลยว่าการเกิดมาการได้ขันเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรอธิบายกันเป็นโวหารต่างๆกันมากอย่างด้วยซึ่งเรายังไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดคัดมาพูดกันเลยนะแต่ยืนยันว่ามีทีนี้อการจะไปเห็นอริยสัจเนี่ยอริยสัจมีสี่เหมือนปริญญามีสามปริญญาเราจะเกิดทั่วสามก็ไม่ได้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 และไหนจะติดสอยให้ตามมาโดยลำดับ <c oughs> เราจึงดูในส่วนของโลกิยะปริญญา <c oughs> การู้อรียสัจสิว่ายาตาปริญญาเตียนนาปริญญาที่ว่ารู้ตัวรู้อาการของนามรูปเนี่ยนามรูปก็คือทุกคือทุกข์สัตว์นั่นเอง ถึงจะไปเรียกให้พิสดาลเป็นอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดปฏิจจา1สิบสองหรือทิฏฐธรรมสุตธรรมมุตธ ร, รรมวิญญาณธรรมสี่ อ, อย่างหรือจะเรียกว่าโลกนี้โลกน่ะทั้งโลกนี้โลกน่ะหรือจะเรียกว่าอัตภาพมันก็คือทุกคำว่าทุกเนี่ยเป็นคำเรียกรวบยอดว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ที่เราควรจะต้องรู้ตามมันเป็นอย่างไงคือทุกขสัจจะที่เห็นได้โดยายานโลกีไอตัวทุกขสัจจะเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยคือยานเห็นทุกขสัจเนี่ยมันมีทั้งโลกียะโลกุตละแต่ฐานะของสัจจะเนี่ยมันเป็นเป็นแล้วเป็นเลยอ่ะคือไอปัญญาเห็นสัจจะ มันเป็นโลกีโลกุตระแต่เวลาไปกําหนดเห็นสัจจะเห็นสัจจะสี่เนี่ยนะสัจจะสี่มันมีทั้งโลกีและโลกุตระ น, นี้ผมเขียนเขียนแบบยบยาบๆหน่อยนะ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 จากโลกิยาไปเป็นโลกุตระแต่สัจจะสี่เนะี่ยมันเป็นอะไรแมันเป็นตายตัวนะเห็นทุกขสัตว์เนี่ยวิปัสสนาญาณเห็นทุกขสัตว์วิปัสสนาญาณเป็นโลกิยะปัญญาทุกขสัตว์เป็นโลกุตระสัจจะหรือโลกิยาสัจจะเป็นโลกิยาสัจจะทุกโลกุตระมีไหมโลกุตระทุก ไม่มีมีแต่โลกุตละอโลกียะทุกนั่นแหละที่เป็นอารมณ์ของโลกุตละปัญญาแปลว่าไอ้ตัวปัญญาโลกุตระมันเห็นทั้งสิ่งโลกียะทั้งสิ่งโลกุตละนะแต่ไอ้โลกียปัญญาเนี่ยแย่หน่อยครับมันเห็นได้แต่สัจจะที่เป็นโลกียะสัจจะที่เป็นโลกุตละมันเห็นตามตาไม่ได้หรอกมันเห็นได้แต่โดยในเทียบเคียง ก็ยังไม่บรรลุเพราะฉะนั้นโลกุตญญาละบาลินยาเห็นทุกอันเป็นโลกีญาได้รู้ทุกอันเป็นโลกีญาได้แต่วิปัสนาโลกีญาเห็นนิโรดนิพพานเป็นโลกุตาละจริงจริงจังๆไม่ไดนะ้ก็ได้โดยปริยายอย่างที่ได้พูดให้ฟังนี่ก็เลยยานมันมีทั้งโลกีญาโลกุตาล ะ, ะแล้วก็ สัตจ์ก็มีโลกียะโลกุตระมีสองอย่างยานพัฒนาได้สัตจ์พัฒนาไม่ได้เราไปเห็นทุกข์เราไม่ได้ไปทําทุกข์ให้เป็นโลกุตระขึ้นมาไม่ได้ไปทําตัณหาให้เป็นโลกุตระตัณหาขึ้นมา ไ, มได้ยินไหมโลกุตระตัณหาไม่มีแต่เราทํายานของเราให้เป็นโลกุตระไปเห็นนิพพานนิพพานเขาเป็นโลกรุตระของเขาอยู่แล้วก็เป็นว่า มัคคายานเนี่ยเอานิพพานเป็นอารมณ์นิพพานก็เป็นโลกุตร ะ, ตะยานก็เป็นโลกุตร ะ, ตะทั้งคู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออไอ้มัคคยานไปรู้อริยสัจสี่ได้อย่างไรถ้าเราพูดเทียบทั้งผืนนี่ก็จะได้ความชัดขึ้นจริงเรื่องปฏิเวทยอย่างที่ว่าว่าเป็นชื่อมาเนี่ยก็เคยพูดกระเสงกระสายกันมาเรื่อย แต่ก็น่าพูดอยู่เรื่อยแล้วก็มีแง่มุมอยู่อีกมากยังไม่ได้พูดอีกก็ไม่ใช่น้อยเรามาดูโลกิยะบริญญายาตาบาิญญาเตียนหน้าบาิญญารู้ทุกสัจจะก็คือขณะกกำหนดนามรูปและเหตุปัจจัยข้างนามรูกอาการข้างนามรูปนะทุกสัจจะบริญญาสองตัวนี้ของตัวแรกนะ มีทุกเป็นอารมณ์ใช่ไม่ใช่มีใครบ้างทําวิปัสนาแล้วไม่มีทุกเป็นอารมณ์มีแต่วิปัสนาญาลอยขึ้นมานามรูปไม่ได้กําหนดไม่ได้นะครับอย่างที่เราเราชอบถามครูบาอาจารย์กันไม่ใช่น้อยว่าเอ๊ะทำทำไปแล้วเนี่ยจิตมันทิ้งอารมณ์สติทิ้งอารมณ์ที่กําหนด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 ทำให้เราได้ข้อสังเกตอ่ะแล้วก็มีที่ปรึกษาวางใจควบคุมใจตอบตัวเองได้ไม่ใช่หน้ า, นาปริญญาวหาหน้าปิญญานั้นหน้าที่โดยตรงของมันคือตาทางฆ่าประหารอะไรตาทางฆ่าประหารส ม, มุไทยอันนี้ยกเอาส ม, มุไทยเป็นเจ้าเรือน แต่เวลาท่านพัลลานาเนี่ยทีท่านพัลลานาเงี้คว่าละสมูทัยและกิเลส ท, ที่สมกันถ้าพูดสมูทัยตัวเดียวหมายถึงตัวนั้นเป็นตัวกิเลส ท, ที่เป็นปฏิบัติหลักลต้องละให้ได้โดยสิ้นเชิงลืมอันอื่นได้แต่อันนี้เนี่ยลืมไม่ได้ ต้งสะกดรอยตามไปทุกระยะทุกขั้นทุกชั้นของความละเอียดของมันแต่กิเลสที่ท่านแท้ค่ะว่าถ้าถ้าพูดถ้าบางแห่งพูดว่าละตัณหาและกิเลสที่อยู่ในฐานะเดียวกันก็หมายถึงกิเลสอื่นๆต้องละด้วยและจริงๆเราก็ไม่ได้ละแต่ตัณหาใช่ไหมละ่ะแต่ตัณหาเป็นกิเลสหลักของความเป็นวัฏฏมูลก็เลยบางทีพูดตัวเดียวแต่หมายถึงตัวอื่น ก็ละตัวอื่นด้วยแต่นี่เราพูดตามในของอริยสัจีก็ยกตัณหาตัวเดียวก็ให้กระจยอย่างนี้เ ด, เดี๋ยวจะนึกว่าเอโทสะยาเอาไว้ไม่ละฮีนมิธาเอาไว้ไม่ใช่ตัณหาขอละตัณหาตัวเดียวเหลือกอิเลสอื่นไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่การละอย่างนี้เป็นแค่ตทาทั้งขบหานะ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 แยกภารกิจของอาการรู้ของปัญญาสามส่วนนี้กระทําต่อทุกสมุทยัยที่นี่ทั้งยาตาทั้งตีรณะาทั้งปหานะรู้และเป็นคำว่าเป็นเนี่ยหมายความว่าตัวมันเองเป็นมักด้วยครับ แต่เป็นมรรคในขั้นที่เรียกว่าโลกียะมรรคสติของเราขณะทําวิปัสนาเป็นองมรรคไหมเป็นสัมมาสติแต่เป็นองค์โลกียมรรควิตกของเราเป็นองค์มรรคโลกียมรรคสัมมาสังกัปปะรวมทั้งที่เหลืออีกหกตัวเป็นองค์โลกียมรรคทั้งนั้นเพราะนั้นไอตอนที่เราทําเนี่ยเราถือว่าเรากำหนดรู้ทุก เห็นทุกลึกแสดงว่าองค์มรรคเราละเอียดลึกด้วยองค์มรรคเราละเอียดลึกแสดงว่าเราเห็นทุกลึกละเอียดด้วยไปด้วยกันลดหลั่นกันไม่ได้จะไปด้วยกันตามความสมควรแก่การเห็นเห็นอย่างไรไปอย่างนั้นไปที่นั่นอย่างนั้นเป็นบุพภ า, าคมรรค แปลว่ามักเบื้องตน้นมักเบื้องหน้าถามว่าหน้ามักอะไรหน้าโลกุตระมักนั่นเป็นอปรภาคกมักแล้วก็เป็นปัญจัที่กมักนี้ว่าโดยจํานวนองค์จํานวนองคเต็มเพราะว่าในการทําวิปัสสนาเนี่ยประหลาดอันหนึ่งว่าศีลเนี่ยครับ ในขั้นวิปัสนาเป็นบาตได้อย่างเดียวพอตอนทําเนี่ยศีลไม่ยอมทําด้วยศีลมัอนว่าพอลงมือจะทําแล้วไอ้ห้าตัวเข้ามากุกกี้กุกกี้ทำกันแต่ศีลคล้ายๆไปดูแลอยู่รอบๆความปลอดภยัยรอบนะไม่ให้ไอีกิเลสเข้ามาลอกวนกิเลสย่างที่ศีลจะพึงกุ้งกรองได้อ่าก็ <c oughs> ยกตัวยอย่างให้เห็นชัดๆนี้เ ช, ชน่น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 ครูบาอาจารย์กระานอย่าไปพูดโกกกับเขานะมีความคิดนี้มาไม่มีไม่มีอ่ะอ่ะทีนี้ไม่มีแล้วถ้าท่านจะนึกถึงประสบการณ์ทั้นว่าเทแล้วทำไมหลายหลายคนแต่ก่อนนี้เคยประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตนะฮพ่อมาทำแล้วก็ไประลึกถึง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 แต่ตอนขณะจิตนี้ไม่ใช่วิปัสนาถามว่ามีอารมณ์เป็นมีนามรูปเป็นอารมณ์ไหมตอนนี้เห็นบางคนอาจจะฆ่าอาวุธสงครามไอที่ผมรู้เขาก็ไม่ได้มาทำวิปัสนาแล้วไปนึกถึงปืนนึกถึงอะไรเนี่ยเป็นนามรูปอะ่ะหมายถึงเป็นปรมัตอารมณ์มันก็ไม่แยกนะเพราะฉะนั้นในขณะที่คนเกิด ยานวิปัสนาขึ้นวิรติสามไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกแต่เป็นสิ่งมีอยู่ในฐานะาที่เป็นเครื่องคุ้มครองที่เราสมาทานไว้แล้วแต่บอกเป็นศีลเพราะไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ใช่เพราะกำลังงดเว้นแต่แยกไม่ชัดก็ถ้ายิงตาสัางสำนักกันเราเทียงกันตายเลยนะ เข้าใจไม่ได้ไม่มีศีลแล้วมันจะเป็นไตรจิกาอย่างไรอะเงี่ยนะไม่มีศีลแล้วก็เป็นคนทำวิปัสนาอย่างทุศีลนะสินี่ก็เป็นข้อสังเกตอเรื่องอย่างนี้นะ่ะเขาเถียงกันมาเขานักปราชญ์เขาโต้แยง้งเขาสนทนากันมาแต่เป็นพันๆปีแล้วแต่ก็ทําความเข้าใจกันได้แล้วก็การรู้เนี่ยนะ การรู้ปริญญาทั้งสามรู้นิโรธสัจจะเนี่ยโดยไหนอันนี้ผมคงต้องอธิบายเป็นการเทียบเทียงให้เห็นอริยสัจสีว่าเอาอย่างงี้ฮะว่าในขณะคนทำวิปัสสนาเกิดปริญญาอะไรๆขึ้นเนี่ยเขากำหนดรู้ทุกข์ด้วย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 ได้ความรู้ขึ้นมาถามว่าขณะนั้นขณะได้ความรู้เนี่ยความไม่รู้มันหายไปทันทีขณะนั้นใช่ไหมล่ะโดยไม่ต้องกลับไปดูไอ้ความรู้หายไปอย่างความรู้หายไปไหนใช่มหมฮะกรณีนี้เป็นปรหารหานะบริญญาที่จับความดับโดยไม่ได้นึกถึงกิเลส แต่ละกิเลสที่อึงละได้จากการเห็นความดับนะนะอั น, น, นหนึ่งและปาหานะปริญญาอาจไปดูกิเลสว่าแม้กิเลสเองก็ดับกิเลสดับนะมกิเลสก็เป็นน้ํารูปอันหนึง่งเพราะฉะนั้นไอาการเห็นความดับเห็นกิเลสเอากิเลสเป็นอารมณ์บางครั้งด้วยมันไปไปมาๆอย่างนี้อะ เหมือนเอาให้นึกถึงประสบการณ์อย่างที่เราทําเนี่ยว่าเราเห็นรูปเห็นนามไม่มีอาจารย์ที่ไหนเข้ามาบังคับแล้วครับและบังคับก็ไม่ได้ด้วยวะยานะ่อย่าไปดูกิเลสนะยานะอย่าไปรู้ว่าตัวเองรู้นะให้กําหนดนามรูปทื่อไปองั้นแหละคุมอารมณ์อื่นไม่ให้รู้ตัวสติไม่ให้รู้ว่ากิเลสเรามันเข้ามายังไงเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอก